วรที่ยี่สิบสี่ว่าด้วยตันหาตันหาวัคขวานานาหนึ่งตันหาเหมือนเถาวันพระพุทธภาษิตมนุชัสสะปะมัตตจาริโนตันหาวัฏติมาลุวาบิยะมาโวนัลังวะโสโตวะ มาโรพันชิปุนับปุนังแปลว่าตันหาอันเป็นประดุษเถาวันย่อมเจริญแก่บุคคลผู้ประพฤติประมาทเขาย่อมเร่ร่อนไปสู่พบน้อยพบใหญ่ดังวานอนปรารถนาผลไม้โลดไปในป่าฉนั้นตันหาอันลามมกนั้นแผ่ซ่านไปในอารมณ์ต่างๆในโลกย่อมครอบงำบุคคลใดความโศกทั้งหลายย่อมเจริญแก่บุคคลนั้น ดุดยาคมบางได้ฝนแต่ผู้ใดย่ายีตันหาซึ่งเป็นของเลวสามยากที่ใครในโลกนี้จะล่วงไปได้ความโศกทั้งหลายย่อมตกไปจากผู้นั้นเหมือนหยาดน้ำตกจากใบบัวเพราะฉะนั้นเราขอบอกท่านทั้งหลายที่มาประชุมกันณนะที่นี้ว่าขอความเจริญจงมีแก่ท่านทั้งหลายจงขุดรากแห่งตันหาเสียประหนึผู้ต้องการหญ้าแฝกขุดหญ้าคมบางเสีย มารยาระรานท่านทั้งหลายบ่อยๆดุดกระแสน้ําระรานไม้ออฉะนั้นตันหาที่ท่านว่าดุดเถาวันนั้นเพราะเกิดขึ้นเกี่ยวพันหรือรัดบุคคลให้ไม่สามารถเจริญได้ตันหาเจริญมากขึ้นเพียงใดในบุคคลใดบุคคลก็ต่ําซามลงเพียงนั้นเหมือนเถาวันเจริญมากขึ้นรวบรัดต้นไม้ไม่ให้เจริญเติบโตและอาจทําให้ต้นไม้ตายไปในที่สุด ตันหาเช่นนี้ย่อมเจริญขึ้นแก่บุคคลผู้ประมาทตันหานั้นเมื่อเกิดขึ้นเพราะอาศัยทวารทั้ง6และปิยรูปสาตรูปบุคคลผู้มีตันหาเป็นคติวงเล็บคติเท่ากับทางดําเนินย่อมเร่ร่อนไปในพบน้อยพบใหญ่เพราะเป็นตัวนําเหมือนวานอนปรารถนาผลไม้โลดไปในป่าวางกิ่งนั้นจับกิ่งนี้วางกิ่งนี้จับกิ่งโน้นไม่หยุดหย่อน ตันหาก็เหมือนกันซ่านไปในอารมณ์ต่างๆในโลกตันหาที่ซ่านออกไปรับอารมณ์นี้ท่านเรียกว่าวิสัติกาได้แก่ตันหาอันซ่านไปในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐพะและธรรมารมอาศัยตาหูจมูกลิน้นกายและใจส่วนตันหาอันเป็นมูลแห่งวัตะเรียกวัตตะมูละกะตันหาท่านเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าตันหานุสัส ตัณหาทั้งสองประการนี้ครอบงำผู้ใดอยู่ความโศกย่อมติดตามผู้นั้นตลอดไปตัณหานั้นย่อมยีผู้ใดไม่ได้ความโศกย่อมตกไปจากผู้นั้นเหมือนน้ําตกจากใบบัวไม่ติดใบบัวเพราะฉะนั้นพระองค์จึงตรัสสอนให้ละตัณหาเสียให้กดรากแห่งตัณหาเสียวิธีกดรากแห่งตัณหาคือการตัดอารมณ์ที่มากระทบไว้เพียงผัสสะ ไม่ให้อภิชาหรือโทมนัตเกิดขึ้นครอบงำใจได้เมื่อเห็นก็สักว่าแต่เห็นฟังก็สักแต่ว่าฟังไม่ให้เกิดตัณหาอุปาทานเพราะการได้เห็นได้ฟังนั้นอย่างนี้เรียกว่าตัดรากแห่งตัณหาได้มารกล่าวคือกิเลสย่อมไม่อาจจรานบุคคลผู้เช่นนั้นได้ส่วนบุคคลผู้ไม่เป็นเช่นนั้นมารย่อมระรานได้เหมือนกระแสน้ำระราน คือพัดอยู่เสมอซึ่งไม้อ้อที่อยู่กลางสะหรือกลางกระแสน้ําเรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ที่เชตวนารามเมืองสาวัตถีทรงปราปรภปราชื่อกัปปิละมีเรื่องย่อ ด, ดังนี้เมื่อ <an> <ป>พระพุทธเจ้าพระนามว่ากัตสปะปรินิพานแล้วมีพี่น้องสองคนออกบวชในสำนักแห่งพระสาวกของพระกัตสปทศพล คนพี่ชื่อโสธนะคนน้องชื่อกัปิละมารดาของท่านทั้งสองนั้นชื่อสาธนีน้องสาวชื่อตาปนาภิกษุสองพี่น้องนั้นพี่ชายเรียนวิปัสนาธุระคนน้องเรียนกันทะธุระวงเล็บคือการศึกษาเล่าเรียนพี่ได้บรรลุอรหัตผลในเวลาไม่นานนักน้องเจนจบในพระตริปิฎก มีภิกษุและครือขัสเป็นบริวารมากมีลาบสการะมากเพราะอาศัยบริวาร น, นั้นเป็นผู้มัวเมาในลาบและชื่อเสียงลืมตัวไปคิดว่าความเห็นของตนถูกต้องทุกอย่างจึงแสดงธรรมว่าเป็นอาธรรมแสดงอาธรรมว่าเป็นธรรมสิ่งที่มีโทษว่าไม่มีโทษสิ่งไม่มีโทษว่ามีโทษสิ่งที่เป็นกัปปิยะคือสมควรว่าไม่สมควรสิ่งที่เป็นอกัปปิยะ คือไม่สมควรว่าสมควรเมื่อภิษุผู้หวังดีทักทวงก็ด่าว่าภิกสุเหล่านั้นว่าเป็นคนโง่เขลาไม่รู้อะไรภิกสุทั้งหลายจึงบอกให้พี่ชายคือพระโสดนะทราบ พ, พระโสดนะตักเตือนว่าคุณกับปิละการปฏิบัติชอบของพิกสุเช่นคุณเป็นการต่ออายุพระศาสนาเพราะฉะนั้นเธออย่าได้ละการปฏิบัติชอบเสีย โดยการกล่าวแสดง ร, รมวิัยว่าเป็น ร, รมวิในเป็นต้นแม้กระนั้นพระกปิละก็หาได้เอื้อเฟื้อต่อคำเตือนของพระพี่ชายไม่พระโสนะเตือนอยู่สองสามครั้งเมื่อเห็นว่าน้องชายไม่เชื่อแล้วจึงคิดว่าเขาจะปรากฏด้วยกรรมของเขาเองดังนี้แล้วเลิกเตือนจำเดิมแต่นั้นมาภิกษุ ผู้มีศีลทั้งหลายก็ไม่ยอมคบหาสมาคมกับพระกะปิละนั้นพระกะปิละเป็นพระชั่วมีพระชั่วด้วยกันเป็นบริวารวันหนึ่งเข้าไปในโรงอุโบโสถต้องการสวดปาฏิโมกข์ถามภิกษุผู้ประชุมกันอยู่ว่าจะสวดปาฏิโมกข์กันหรือ mm. เมื่อภิกษุทั้งหลายนิ่งเสียเธอจึงคิดว่าประโยชน์อะไรที่จะพูดจากับพวกภิกษุโง่ๆเหล่านี้ เขาไม่ตอบก็ไม่เป็นไรดังนี้แล้วกล่าวในที่ประชุมสงว่าท่านทั้งหลายทำก็ดีวินัยก็ดีไม่มีการฟังปาฏิมโมกจะมีประโยชน์อะไรการไม่ฟังก็ไม่เสียหายอะไรดังนี้แล้วจากไปเมื่อพระกัปิละสิ้นอายุตายแล้วไปเกิดในอเวจีมหานรกมารดาและน้องสาวของเธอผู้ดําเนินตามเธอก็ไปตกนรกอยู่แห่งเดียวกัน พระกัปิระไม่อยู่ในนรกสิ้นพุทธันดรหนึ่งพอมาถึงสมัยแห่งพระโคโดมพุทธเจ้าพระกัปิระมาเกิดเป็นปลาใหญ่สีเหมือนทองคำแต่ปากเหม็นอยู่ในแม่น้ำอจิระวดีวันหนึ่งชาวประมงทอดแห่จับปลานั้นได้เห็นเป็นประหลาดจึงนำไปแสดงแก่พระราชาพระเจ้าประสเสนที่โกศลให้คนนำปลานั้นไปยังวัดเชตวัน เพื่อทุลถามพระผู้มีพระภาคว่าเพราะเหตุไรปลานั้นจึงปากเหม็นมากและสีเหมือนทองคาพระพุทธองค์ทรงแสดงบุพกรรมของปลากัปปิละให้พระราชาทรงทราบโดยตลอดแล้วตรัสว่าที่สีเหมือนทองเพราะอานิสงส์ที่กล่าวสรรเสริญคุณของพระพุทธเ จ, จ้ามาเป็นเวลานา น, านและได้เรียนธรรมของภาษาสดาพระองค์นั้นจดแตกฉาน ส่วนที่ปากเหม็นมากนั้นเพราะโทษที่บริพาทภิกษุสงฆ์ปรานั้นมีความเดือดร้อนใจเป็นกําลังมิอาจบรรเทาได้เสียใจในกรรมของตนในอดีตจึงเอาศีรษะฟาดกับพื้นวงเล็บที่ใส่ตัวมันมาจนตายและไปเกิดในอเวจีมหานรกอีกพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรวจดูวาราจิตของพุทธบริษัทที่มาประชุมกันในขณะนั้น มีพระประสงค์จะแสดงธรรมให้เหมาะกับอุปนิสัยแห่งชุมชนและเหมาะแก่ความรู้สึกของคนในขณะนั้นจึงตัดว่านักปราชทั้งหลายกล่าวว่าการประพฤติ ธ, ธรรมหนึ่งประพฤติพรหมจรรย์หนึ่งว่าเป็นแก้วอันสูงสุดดังนี้แล้วตรัดพระคาถาว่ามนุษย์ชัะปะมัตจาริโนเป็นอาทิมีนัยยะดังปนานนามาแล้วตั้งแต่ตนอันนี้ก็เป็นข้อคิด ดีี่วันนี้ยังได้คุยสนทนานะเกี่ยวกับการเรียนการศึกษากับการปฏิบัติไปหาหมอคุยกับหมอคุยเรื่องพระโนะ้ตคุยเรื่องพระก็บอกว่าท่านไม่รู้หรือว่าท่านไม่มีผู้แนะนําปฏิบัติเนะี่ยหลายอย่างที่ทําแล้วก็โยมที่เคยคุ้นเคยกับการปฏิบัติก็อดที่จะ บอกท่านไม่ได้แนะนำท่านไม่ได้เป็นเพราะไม่รู้รรู้อยู่หรืออย่างไรเนี่ยจะว่าไม่รู้ก็เป็นผู้ที่มีการศึกษาทั้งนั้น mm hmm. เขาว่าอย่างนั้นเนี่ยก็เลยบอกว่าเออการศึกษาส่วนหนึ่งการกระทำอย่างหนึ่งที่เราเรียกว่าการศึกษาการปฏิบัติในเรื่องนี้เห็นชัดเจนว่าผู้หนึ่ง ไปปฏิบัติวิปัสนาแต่ผู้หนึ่งเรียนกันตาทุระนะแล้วก็คือน้องชายเนี่เรียนกันตาทุระมันก็รู้แตกฉานรู้แตกฉานนี่มีความคิดเป็นนักเหตุผลเ่พอมีคนเชื่อถือนับถือมากก็หลงตนอย่างที่ว่าหลงตนก็คิดว่าเนี่เรานี่เป็นคนเก่งพูดอะไรคนก็เชื่อ คนลักษณะนี้จริ ง, รงๆแล้วคนมีความรู้นะที่สามารถบิดเบือนอพุทธวจนะหรือคาําสอนพระเจ้าได้นี่คนไม่มีความรู้ก็ไม่สามารถที่ไปบิดเบือนอะไรได้หรอกคนมีความรู้นี่สามารถถักกลับกันได้นี่เพราะคนเชื่อถือนับถือไงคนเราส่วนมากจะใช้ความเชื่อแต่ขาดปัญญานยมันก็เลยเป็นเหตุลักษณะนี้แต่ท่านพูดอะไรก็ท่านไม่ใช่พระธรรมดานะท่านมีความรู้นะเนี่ย ดูสิคนนับถือระดับไหนทํานองนี่นี่อันนี้เห็นได้ชัดเลยเนี่ยกล่าวอาธรรมว่าเป็นธรรมนี่ยกล่าวธรรมว่าเป็นอธรรมนี่กล้าขนาดนั้นเนี่ยอันนี้โทษมากขนาดไหนไม่ปากเหม็นเนี่เยเรียกว่าตายไปยังเกิดมาเนี่ยตัวเป็นทองคําก็ประดับด้วยการศึกษานั่นแหละการศึกษาประดับให้ตัวเป็นทองคำเนี่ยแต่ก็มีกรรมเนี่ยส่งผลมาให้ด้วยเนี่ย แล้วที่สำคัญมันอันนี้เป็นเศษกรรมนะกรรมจริงจริงที่รับก็คืออาเวจี v G, ที่เรียกว่าอเวจี G, มหาดรกเนะี่ยเดือดร้อน น, นี่พอผลเกิดขึ้นยังไม่ตายก็เกิดความรู้สึกนะแต่มันไม่ทันละมันไม่ทันเนะี่ยนี่ขนาดพี่ชายเตือนก็ยังไม่ฟังเลยเห็นไหมมานะหรือความหลงนี่มันขนาดนั้นหลงอำนาจหลงอะไรเนี่ยใครเตือนไม่ฟังเนะี่ย สมกับที่ทันว่าโนทิทธิพระสำนวนไทยแล้วว่าอย่างนั้นทิทธิพระมณะครูอ่งั้นถ้าท่องกาานี่บ่อยๆก็เตือนใจได้ดีเหมือนกันเลยถ้จะลดทิทธิมาณได้นี่สมกับที่วัตถจารออคนมีความรู้มากก็ยิ่งถ่อมตนนั่นเป็นลักษณะของบัณฑิตเนี่ยออคนที่รู้ไม่มากแต่ว่าอวดฉลาดนี่ไม่ใช่คนที่มีความรู้ที่แท้จริงเนี่ย แล้วท่านเปรียบเทียบประม่าเหมือนกับหม้อเปล่าแล้วก็ตีเสียงดังเลยแต่หม้อถ้าไม่เปล่าแล้วตีไม่ดังหรอกนี่หรือเหมือนกับหม้อเต็มปิดหม้อเปล่าเปิดใลักษณะนี้แต่พ้องเพลงพ้องเพลงดังมันไม่มีอะไรนั่นนั่นน่ะใช่ไหมแต่ถ้ามีอะไรเต็มในนั้นน่ยตีมันไม่ค่อยมีเสียงหรอกไม่ดังนี่นี่เป็นข้อเปรียบเทียบยพิจารณาก็ทําให้เรามองเห็นชัดเจนมากขึ้น นการรู้ด้วยใจนี่สำคัญเนี่ยอย่างเปรียบเทียบไม่ฟังว่าหลวงพ่อเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อชาหลวงพ่อเจ้าคุณพระมงคลกิติฐานดาตามสมรรษักของท่านเนี่ยแต่ว่าคนต่อไปก็รู้ว่าหลวงพ่อเจ้าคุณอมรอำเภอม่วง3าเนี่ยท่านพูดเองท่าน่าท่านท่านนะจบปรเรียนกประโยคแล้วก็มาเป็นครูสอนสำนักท่านดังเท่าปัจจุบันนี่นะ ตอนแรกท่านก็สอนสอนดีวางระเบียบวางอะไร ไ, ได้ดีเนี่ยตอนหลังมาเป็นฝากเป็นศิษย์หลวงพ่อชายิ่งไปพัฒนาในส่วนนี้ขึ้นไปอีกเนี่ยก็ยิ่งสำนักของท่านที่ท่านตั้งไว้บ้านน้องขุนนะมีความเจริญเหมือนกันมีสามเเรียนก็ไปศึกษาเยอะปีที่แล้วหรือปีในเนี่ยเขาพามางานอาจารย์บูชาเนะี่ยปีแล้วมะสปีสอนเราเห็นโอ้โหสาสคนเป็นระเบียบพระท่านกลุ่มหมผ้าเรียบร้อยนั่งเป็นระเบียบสวยงาม นี่ท่านกล่าวว่าการเรียนการศึกษามันก็รู้อยู่นีแต่รู้โดยปริญญาตรู้โดยหนังสือแต่ข้อปฏิบัติแล้วตั้งๆ้งที่อ่านผ่านทั้งนั้นแหละท่นบอแต่ทำไมมันปฏิบัติไม่ถูกกันะท่านยกตัวอย่างง่ายๆเท่านท่านไปสอนท่านไปสอนนักเรียนเนี่ยในโรงเรียนปริญญาตร์เนี่ยนกะตอนบ่ายก็ทรงอวันตินไปทุกวันใส่กระติกไผ่ไปสะไผ่ไปเนะี่ยก็ฉันอวันตินทุกวันนี เพราะมันเมื่อยมันเพลียเนะี่ยไม่รู้ว่ามันผิดมันถูกอะไรเนะี่ยเดี๋ยวนี้ก็ยังมีเรามีความเห็นเนะี่ยโยมหลายคนก็มาถามว่าก็ว่าเป็นปานนะด้วยซ้ําไปโอ้อันติมเป็นปานนะถ้วยมันก็อิ่มสบายที่หลวงพ่อชาว่าเป็นปานนะอก็คิดอย่างนั้นไนงะท่านเมือโอ้ยพอมาถูกหลวงตาหลวงตาน้องปู่พงสอนมวยเนะตอนแรกโกรธเลย หลายเรื่องหลายอย่างเนี่ยแม้แต่ผลไม้ผลไม้ในวัดเนี่ยจริงๆไม่ใช่รูง้ง่ายๆในขนาดปฏิบัติถ้าไม่ย้ำไม่เตือนไม่หมอกก็ไม่รูง้ง่ายๆเนีแต่ว่าเห็นผลไม้สวยๆเยมันเกิดในวัดเนี่ยมีขนุนเป็นต้นเนี่ยหรือมะพร้าวอะไรก็แล้วแต่เอามือไปลูกไปคลําเนี่ยไปํานะโอ้ยหลงตาครับขนุนลูกนี้ทำไมมันสวยแท้ลูกใหญ่แท้เนี่ย หลวงตาก็คือหลวงตาหลวงตามาปฏิบัติก็ใส่หมัดตรงเลยบอกว่าท่านไม่รู้หรือมันเป็นอาบัตอะไรแม่ใส่มหาหกประโยคนแม่สะอึกเลยนะแม่หลวงตาทำไมมันเก่งแท้ยังมีทิฏฐิอีกท่านบอกยังไปโกรธท่านอีกเนะี่ยโกรธอยู่ทั้งวันนะกลับไปกลับไปถึงสำนักแล้วก็ยังคิดอยู่แต่คิดไปคิดมาคิดด้วยการศึกษา เราก็คิดไปคิดมาเออความคิดนี้เหมันก็เลยเป็นเหตุให้ให้ไปค้นเนี่ยค้นดูสิ่งที่ตนเองศึกษาต่างๆมาอ้าวมันกลับกลายเป็นความจริงซึ่งเราข้ามสิ่งเล็กๆน้อยๆนี้ไปเนี่ยเรากลายเป็นผู้ประมาทนะก็เลยเกิดศรัทธาเลื่อมใสเนี่ยเกิดศรัทธาเลื่อมใสโอภาพปฏิบัตินี้เราดูถูกไม่ได้เนาะดูถูกไม่ได้แม้เล็กๆน้อยๆท่านก็ยังไม่ไม่ข้ามเลย ไอเรานี่ยข้ามไปหมดเลยอะไรก็กลายเป็นคนมักง่ายนี่ท่านถึงบอกว่าการเรียนการศึกษาเนี่ยกับความจริงมันจึงมีความแตกต่างกันอันนี้เราไม่กล้าพูดหรอกท่านพูดเองมันก็มีน้ำหนักเอเพราะท่านผ่านมาท่านก็เลยเป็นกําลังสําคัญกลับมามาขอโทษหลวงตาเราว่ายกหลวงตาว่าเป็นอาจารย์เลยท่านก็เลยเขียนในหนึ่งเดือนในป่าพงท่าเราไปอ่านก็จะเห็นนะหลวงตาสอนมวยด้วยนะ ตอนหลังมาสนิทการรักกันมากเลยเขาเรียกว่าหลวงพ่อลาดนะหลวงพนะ่อาดเนะี่ยก็คุณเคยหลวงพนะ่อลาดท่านก็สิ้นไปแล้ ว, ล, วละเนะี่ยว่าเนี่ยที่ว่าหลวงตาสอนมวยกันนี่ท่านเล่าเองนะีนะ่สิ่งนี้มันก็มีความละเอยียดการศึกษานี่ก็ถ้าเป็นเรื่องธรรมะก็ต้องระวังเหมือนกันนะศึกษาเพื่อปฏิบัตินะี่ยไม่ใช่ศึกษาเพื่อลาบสการะหรือเพื่อลาบยศอะไรต่างๆเนี่ย ความรู้ที่มีความรู้ที่ได้นั้นเพื่อสงเคราะห์อนุเคราะห์เพื่อประโยชน์ตนและเพื่อประโยชน์ผู้อื่นนมีความรู้ก็ไม่ใช่เอาความรู้นั้นไปเพื่อจะไปเป็นอาชีพไปทาอาชีพเพื่อเอาธรรมะไปแลกไปเปลี่ยนไปท ร, รมาหากินมางั้นแต่มันก็ไม่ถูกต้องธรรมะเป็นของบริสุทธิ์ให้ด้วยใจที่รักด้วยใจเมตตานันต่างหากเรา แต่แล้วมันจึงมีความแตกต่างกัน 2. เมื่อตัณหานุสัยยังมีอยู่พระพุทธภาษิตยะถาปิมมเลอนุปัฏฐเวพันเหชินโนปิลุคโผปนะเรวะรูหติเอวัมปิตัณหานุสเยอนุหเตนิพัตติทุกขะ มิทังปุณับปุนังตัดสัมาตะสินังวิโนโทะเยพิขุอากังขังวิราฆมัตโตอาจยากหน่อยภาษาบาลีแปลว่าเมื่อรากของต้นไม้ยังไม่มีอุปัทวะยังมั่นคงอยู่ต้นไม้แม้ถูกตัดแล้วก็งอกขึ้นได้อีกชั้นใดเมื่อตันหานุสัยยังไม่ถูกทำลายก็ฉันนั้นทุกนี้ย่อมเกิดขึ้นได้บ่อย อนุสัยคือความสืบเนื่องสืบต่อหรือความละเอียดของมันยังมียกกระแสตันหาหรือกระแสแห่งตันหา36หอันเชี่ยวไหลไปสู่อารมณ์เป็นที่ชอบใจย่อมมีแก่ผู้ใดความดำริอันใหญ่ที่อาศัยราคะย่อมนําเอาผู้นั้นผู้มีทิฏฐิชั่วไปกระแสแห่งตันหาย่อมไหลไปในอารมณ์ทั้งปวงตันหาดุดเถาวัน แตกขึ้นแล้วตั้งอยู่ท่านทั้งหลายจงตัดรากแห่งตันหานั้นด้วยปัญญาสมมนั์ทั้งหลายที่สร้างไปมีตันหาดุดยางเหนียวเกี่ยวพันอยู่ย่อมมีแก่สัตว์สัตว์ทั้งหลายอาศัยความยินดีคือตันหาสแสวงหาความสุขอยู่ย่อมเข้าถึงความเกิดและความแก่หมู่สัตว์อันตันหาเครื่องดิ้นรนล้อมไว้ย่อมดิ้นรนกระเสืกกระสนไปเหมือนกระต่ายที่ติดบ่วงของนายพราน สัตว์ทั้งหลายผู้ข้่องอยู่ในสังโยชนย่อมเข้าถึงทุกบ่อยๆตลอดกาลนานสัตว์ทั้งหลายอันตัญหารอมไว้แล้วย่อมดิ้นรนกระเสือกกระสนเหมือนกระต่ายที่ติดบ่วงนายพรานเพราะฉะนั้นภิกษุหวังอยู่ซึ่งทมเป็นที่สำรอกกิเลสแก่ตนควรบรรเทาตัญหาเครื่องทำความดิ้นรนนั้นเสียอธิบายข้อว่ากระแสแห่งตันหาสามนั้นอธิบายว่าตัหาหนึ่ง เป็นไปในอายตนะภายใน6ภายนอก6กรวมอายตนะสิตันหา3อันเป็นไปในอายตนะ12นี้ทั้งในอดีตปัจจุบันและอนาคตกล่าวคือตันหา12ในการทั้ง3าวงเล็บ12บสอคูณสเท่ากับสาข้อความนอกจากนี้ตื้นแล้วทั้งสิ้นและข้อความบางประการได้อธิบายมาแล้วในเรื่องที่1 เรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ณเวรุวันเมืองราชฤทรงปรารบลูกสุกรกินคูดตัวหนึ่งมีเรื่องย่อ ด, ดังนี้วันหนึ่งพระศาสดาสเสด็จเข้าไปบิณฑบาตในกรุงราชฤทุทอดพระเนเห็นนางลูกสุกรตัวหนึ่งได้ทําการแย้มพระโอษพระอานนทเทระทูล ถ, ถามถึงมูลเหตุแห่งการแย้มนั้นจึงตัดว่า สุกรตัวนี้ในศาสนาแห่งพระกะกุสันธพุทธเจ้าเคยเกิดเป็นแม่ไก่อยู่ใกล้โรงชันแห่งหนึ่งได้ฟังเสียงของภิกษุนักปฏิบัติรูปหนึ่งสาทยายวิปัสสนากรรมฐานอยู่มีจิตเลื่อมใสจุติแล้วบังเกิดในราชตระกูลเป็นพระราชธิดาพระนามว่าอุปภรีต่อมาพระนางได้เสด็จเข้าไปยังสถานถ่ายอุจจาระแห่งหนึ่ง เห็นหมูนอนยัวเยะกินอุจจาระอยู่ทรงสังเวชเจริญฌานอันมีปุรุวะกะสัญญาเป็นอารมณ์ห่วงเล็บปุรุวะกะเท่ากับนอนได้ปฐมฌานแล้วไปบังเกิดในพรหมโลกจุติจากพรหมโลกแล้วสับสนอยู่ด้วยคตินานาประการตามแรงกรรมอันหนุนเนื่องกันเข้ามาตามวาระในพุทธุบาทการนี้เกิดเป็นนางสุกร ภิกษุทั้งหลายมีพระอานนท์เทระเป็นประมุกสังเวสลุดใจเป็นอันมากพระศาสดาทรงทราบว่าภิกษุเหล่านั้นสังเวชเต็มที่แล้วมีพระประสงค์จะประกาศโทษแห่งตันหาประทับยืนอยู่บนถนนนั่นเองตรัสพระคาถาดังได้ยกขึ้นแล้วนะเบื้องต้นมีนัยยะดังพรนน า, น า, นามาแล้วแต่ต้นต่อจากอัตภาพแห่งสุกรไปเกิดเป็นสตรีในเมืองสุพรรณณภูม เมืองพรานสีท่าสุปาระกะท่าคาวิระเมืองอนุราชบุรีและเพกันตะคามโดยลำดับแล้วได้เป็นภรยาของมหาอมปัดของพระเจ้าทุตถขามณีขออนุญาตสามีบวชเป็นภิกษุณีในลังกาทวีปทำความเพียรจนสำเร็จพระอรหัตผลในชาตินี้อันนี้ก็เรื่องเกี่ยวกับธรรมนะธรรมะ 3. ผู้ห ว, วนไปสู่ป่าอีกพระพุทธภาษิตโยนิพพนธโธวนาวิมุตโตวนะมุตโตวนะเมวะาวติตังปุคละเมวะปัสสะมุตโตพันทะนะเมวะาวติแปลว่าบุคคลใดออกจากอาไรอันประดุดหมู่ไม้ในป่าได้แล้วน้อมไปในป่าวงเล็บ คือตะบะ ร, รมพ้นจากป่าคือเครื่องผูกแล้วยังเล่นไปในป่าคือหวนไปสู่ป่าคือเครื่องผูกอีกท่านทั้งหลายจงดูบุคคล น, นั้นผู้พ้นแล้วจากเครื่องผูกยังหวนไปหาเครื่องผูกอีกอธิบายตามนัยยะแห่งอัตถกถาดังนี้ผู้ใดละทิ้งหมู่ไม้อันตั้งอยู่ในป่ากล่าวคือความอะไรในความเป็นเครื่อหัดแล้วออกบวช น้อมไปในป่าคือตะบะวงเล็บทมเครื่องเผากิเลสพ้นจากป่าคือตันหาวงเล็บความดิ้นรนเพื่อเป็นนั่นเป็นนี่อันจัดเป็นเครื่องอันเหนียวแน่นคือการคลองเรือนยังหวนไปหาป่าคือตันหานั่นอีกมีการคลองเรือนเป็นเครื่องผูกมัดรัดรึงจงดูเถิดดูบุคคลนั้นผู้พ้นจากเครื่องผูกคือการคลองเรือนแล้วยังหวนกลับไปหาเครื่องผูกคือการคลองเรือนอีก การของเรือนเป็นเครื่องผูุกหย่อนหย่อนแต่แก้ได้ยากบุตรภรรยาหรือสามีเป็นบ่วงที่หน่วงเหนี่ยวรัดรึงจิตใจทรัพ ส, สมบัติเป็นของกังบนทั้งในการหาและการรักษาไว้ให้มั่นคงถาวรท่านจึงกล่าวว่ามีบุตรห่วงหนึ่งเกี้ยวพันคอซับผูกบาทาคลอหน่วงไว้ภรรยาเยี่ยงอย่างปอริองรัดมือนา สามบ่วงใครพ้นได้จึงพ้นสงสารกามาอะไรอะไรในการเป็นสิ่งที่ตัดได้ยากข้ามให้พ้นได้ยากวงเล็บสุทุตตรังผู้ไม่เคยลิ้มรสก็อยากลิ้มผู้ลิ้มแล้วก็ติดอยู่ในรถนั้นแม้บางครั้งจะรู้สึกเบื่อในวัตถุอันซ้ำซากแต่เมื่อมีใหม่มาก็พอใจอีกวนเวียนอยู่อย่างนี้เรื่อยไปจนตาย ความจริงความสุขในกามนั้นเป็นความสุขซ้ํำซากความพอใจที่เกิดจากความสําเร็จในกามก็มีประมาณน้อยการรมทิ้งความทุกข์ยากลําบากไว้ให้มากทิ้งความผูกพันไว้ในชีวิตจนดิ้นไม่ให้หลุดไปโดยยากเพราะความต้องการอิสรภาพทางจิตกับมโนธรรมแห่งความรับผิดชอบขัดแย้งกันอยู่เรื่องนี้พระทัสสะสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ที่เวรวนันทรงปราบภิกษุรูปหนึ่ง ผู้ศึกออกไปมีเรื่องย่อดังนี้วิพันตะกะภิกสุภิกสุรูปนั้นเป็นสิทธ์วงเล็บคือสัตธิวิหาริกของพระมหากรสปะเทระได้ฌานสี่แล้วบังเอิญวันหนึ่งได้เห็นรูปารมอันเป็นวิสภาคอารมณ์วิสภาควงเล็บคืออารมณ์เป็นค่าศึกแก่พรหมจันทร์กล่าวคือสตรีเพศ ในเรือนของนายช่างทองผู้เป็นลุงของตนมีจิตปฏิพัติ์ในรูปารมณ์นั้นจึงศึกเขาเกลียดคร้านทำงานจึงถูกไล่ออกจากเรือนเที่ยวเลี้ยงชีพด้วยโจรกรรมเพราะคุกรีด้วยมิดชั่ววันหนึ่งถูกจับได้ราชบุษมัดแขนคว้หลังผูกอย่างมั่นคงเคี่ยนด้วยหวายทีละสี่เส้นนำไปสู่ตะแลงแกงพระมหากรสปเถระเข้าไปบิณฑบาตในเมืองราชครืเห็นเขาแล้ว ขอร้องให้พวกราชบุรุษผ่อนเครื่องจองจำแล้วให้โอวาสเขาว่าเธอจงระลึกถึงกรรมฐานที่เคยสั่งสมมาแล้วเขาได้สติสามารถทำฌานทั้งสี่ให้เกิดขึ้นได้อีกเมื่อราชบุรุษนำเขาไปสู่ตะแล ง, งให้นอนบนหลาวเพื่อรอการฆ่าแต่เขาไม่แสดงอาการสะดุ้งกลัวเลยมหาชนที่ยืนอยู่ในที่นั้นแม เงือดเงื้อเครื่องประหารทั้งหลายมีดาบหอกและโตมอนหวงเล็บหอกซัดเป็นต้นแก่เขาแต่เขาไม่ได้สะดุ้งเลยมหาชนประหลาดใจจึงเปล่งเสียงบรรลือสนันขึ้นแล้วไปกราบทูนเรื่องนั้นแด่พระราชาพระราชารับสั่งให้ปล่อยเขาเสียแล้วไปฟอ้องพระศาสดากราบทูนเรื่องนั้นให้ทรงทราบ พ, พระพุทธองค์ทรงเป่งพระโอภาตไปตรัสว่าบุคคลใดออกจากอาลัย อันเป็นประดุจหมู่ไม้ในป่าได้แล้วเป็นอาทิมีนยะดังพานนามาแล้วแต่ต้นเขานั่งฟังเทศนานี้อยู่บนปลายหลาวเริ่มตั้งความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปยกจิตขึ้นสู่ไตรลักษณ์พิจารณาสังขารทั้งหลายได้บรรลุโสดาปฏิพลเสวยสุขอันเกิดแต่สมาบัติอยู่ไปสู่สำนักพระาศาสดาทางอากาศถวายบังคมแล้วขอบวชใหม่ ได้บรรลุอรัตผลถามกลางพุทธบริษัทอันมีพระราชาทรงเป็นประมุขนั่นเองกุศลกุศลคือคุณงามความดีมันก็ยังมีผลในถ้ามีกำลังกล้ามีตบะกล้า่สว่าสามารถเป็นจัดเป็นอุปค า, าตรรมส่วนกุศลได้เนเมื่อทำไม่ดีมันกำลังมันสู้กุศลกรรมไม่ได้น เมื่อแรงแห่งกุศลกรรมตามมาทานคือระลึกได้มีผู้มาสะ ก, กิดให้ระลึกได้ก็เลยใช้ธรำอาวุธตัวนั้ น, นมาเป็นพลังพลังกุศลกรรมมีพลังนั้นมันก็เลยเหมือนเป็นธรรมอาวุธมาปร ะ, ประหัตประหารอากุศลกรรมที่ไม่มีแรงต้านทานพอนั้นให้หมดไปได้ นั่นก็คือแรงแห่งกุศลกรรมคนที่เคยทําบาปทําชั่วมาแต่เคยทําดีมาก่อนนี่ความดีอันนั้นมันก็ยังมีผลอยู่นะนี่ถ้าไม่ไปบังเอิญทํากรรมหนักนียกเว้นกรรมหนักๆที่เป็นอนันตริยกรรมทั้ง5้าเป็นต้นนี่แล้วก็รู้กรรมนี่แต่กรรมนอกนั้นก็ถ้าพลังแห่งกุศลกรรมมีมากอยู่ก็ ก็ไม่ธรรมดาเนี่ยกุศลกรรมตัวนี้ไม่ธรรมดาเพราะท่านเคยได้ฌาน<笑><笑>บำเพ็ญจนได้ฌานนี่แล้วการที่ได้ฌานไม่ใช่เรื่องง่ายๆ เ, ยเยการได้ฌานนี้การ ท, าทรงฌานอยู่ได้ต้องมีความชนานาญถึงส่งอยู่ได้นีแ่แสดงว่าท่านก็มีความชนานาญในการเข้าการออกเนีพอสกิดนิดเดียวเท่านั้ น, เ, นเข้าปุ๊บได้เลยเน่อัน้คลองอยู่แล้วเพราะปรงสังเวชสังเวชั้ง ความชั่วที่ตนหลงผิดเนี่ยสังเวชในหลายอย่างสังเวช ท, ที่ตนละความดีมาทำความชั่วเนี่ยพอระลึกได้ก็รวมพลังรวมสติรวมพลังเนี่ยเหมือนเราฟังนิทานเรื่องช้างที่ตกลมนเนี่ยคนฉลาดก็ไปเอากองมโหระทิกต่างนีือนอยู่ในสงครามเนี่ยลบเลาใจใจของมันที่เคยเข้าสู่สงครามก็รวมพลังขึ้นมา เอาตัวเองขึ้นหลมจนได้เนี่ยลักษณะเดียวกัน oh. พลังแห่งธรรมพลังแห่งกุศลที่ได้กระทําไว้เนี่ยก็มีพลังลักษณะนั้นเหมือนกัน oh. เรื่องอย่างนี้ก็มีหลายเรื่องเหมือนกันนะ oh. เรื่องประเภทนี้นี่บางคนนี้บำเพ็ญตะบะมานาน oh. แต่บัณนปลายก็สู้ไม่ไหว oh. แพ้โลกพอไปออกไปโลกจริงๆก็ดังที่ท่านกล่าวนี่ย oh. คิดว่ามันจะสะดวกสบายมันจะเป็นสุขนี่ย oh. ครับทุก ทุกมันท่นว่าเหมือนห่วงล้มหลวงแต่มันมัดไม่หลุดแก้ไม่หลุดเนี่ยมันเหมือนหลวมคือมันคำว่าหลวมนั้นมีความรักมีความพอใจอยู่ในนั้นเนี่ยแต่มันก็แฝงด้วยความทุกตลอดกาลเนี่ยมันมหลวงแต่ดิ้นไม่หลุดเนี่ยท่านก็เห็นเทนชัดลักษณะนี้ก็เกิดเบื่อหน่ายเนี่ยอีกประการหนึ่งนะโดนคําดูถูกอีกเนี่ยคนเราถ้าไม่ชอบเนี่ยนะก็ดูถูก ยกนี่สงสัยบวชนานมันโง่จังเลยปรรยาก็สาวสาวก็ที่หน้าดาาสารพัดมีแต่ทุกข์เนี่ยนอนทุกข์สุดท้ายก็ทุกข์มากเนี่ยนึกถึงพระพุทธเจ้าเนี่ยสมสารเศร้ามองร้องไห้ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์ก็ทรงแสดงทุกโทษต่างๆให้ฝังเนี่ยสุดท้ายสังเวชใจสละเอาเข้าไปบวชได้เนี่ยทิ้ง ความทุกข์ไว้เบื้องหลังปฏิบัติธรรมสําเร็จเป็นพระอาหนได้เหมือนกันนี่ก็นี่ก็มีบุญเก่าคือบําเพ็ญมาก่อนชีวิตนี่มันไม่แน่นอนการเรียนรู้รักษานี่ก็เป็นการเตือนจิตเตือนใจเตือนสติให้ระแวดระวังนะเพราะหลายสิ่งหลายอย่างที่มันเกี่ยวข้องกับเรามันมีความสุขแต่มันก็ให้ทุกข์บางทีเราไม่ไม่ได้มองด้วยปัญญาไม่เห็นไม่เห็นสุข อยู่เบื้องหน้าแต่เห็นสุขในปัจจุบันแต่ไม่เห็นทุกเบื้องหน้าน่คนที่มีปัญญาเนี่ยเห็นสุข น, น้อยเป็นความทุกข์มองเห็นความสุขที่อดทนได้เนี่ยในอนาคตข้างหน้าเนี่ยก็สามารถทนได้นี่ธรรมะก็มีความละเอียดลักษณะนั้นยังธรรมกถาสาทยสมันเตหิสันลเกตาปาติ เบ่าชาดกก็ดีสำหรับผู้ที่ไม่ต้องการธรรมะที่เครียดมากนะทำ ง, ง่ายๆเอาข้อข้อสั้นๆแล้วก็นำไปพิจารณาคิดพิจารณาจาเป็นคาถาคาถาสั้นๆใจความได้ใจความเป็นความนิยมมาก ธรรมบทนี่เคยดูประวัติการศึกษาธรรมบทนีที่อังกฤษนี่เขารู้สึกมีความนิยมมากคาถาธรรมบทนี้พิมพ์แปบภาษาอังกฤษหลายครั้งหลายคราวในหอสมุดอะไที่เขาบอกว่าธรรมบทนี้เป็นที่นิยมมากก็เป็นหัวข้อสั้นๆแต่นำไปปฏิบัติได้เลย มีทุกหมวดในนี้ครบเลยเนี่ยนี่หมวดทานหมวดศีลหมวดปัญญาหมวดประมาทหมวดไม่ประมาทหมวดมานหมวดการหมวดอะไรสารพัดเนี่ยมีหลายหมวดนี่หมวดความโกรธความไม่โกรธมีหมดในนี้เนี่เราแยกเป็นวักวัเป็นหมวดไว้ให้ศึกษาเนี่ยนี่ยอันก็จัดระบบระเบียบไว้ดีเนี่ แ้าคนชอบโกรธก็ไปศึกษาในเรื่องความโกรธใครมีกิเลสตัวไหนมากก็ไปศึกษาเรื่องนั้นใครโลภมากก็ไปศึกษาในเรื่องทานวัตรเนี่ยก็จะมีในนี้ตลอดมีข้อเปรียบเทียบประมาตใหม่ซีถึงผลของกรรมตั้งปัจจุบันและอนาคตให้เห็นเป็นรูปธรรมชัดเจนเชื่อไม่เชื่อก็ท่านไม่ว่าเ่ นิทานจะเชื่อไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรแต่อัด ร, รมคือหัวข้อธรรมในความสำคัญเนี่ยเชื่อไม่เชื่อมันก็เกิดปรากฏให้เราได้เห็นถ้าเราไม่ตายง่ายเนาะหลายสิ่งหลายอย่างปรากฏให้เห็นจริงๆด้วยแต่ก่อนศึกษาอ่านดูโอ้เป็นไปได้เลยนีย่โอ้โหหยุนนี่มาตั้งห้าสิบหสิปีแล้วก็เห็นแล้เห็นความเปลี่ยนแปลงนหลายอย่างเนี่ย เห็นในสิ่งที่ไม่เคยเห็นเนี่ยโดยเฉพาะเรื่องกรรมเนี่ยนะกรรมนี้เป็นเรื่องสลับซับซ้อนนะแต่มันก็ปรากฏเป็นเครื่องพิสูจน์ที่เราเห็นได้อยู่เหมือนกันโดยเฉพาะถ้าเรา ป, รปฏิบัตินี่ค่อยๆ ค, คลี่คลายให้ให้เราเห็นชัดเจนมากขึ้นเนี่ยแท้ที่จริงแล้วกรรมนี้แม้จะเป็นอดีตก็คือกรรมปัจจุบันนั่นเองเนี่ยเพียงแต่ว่า ในขณะนั้นมันไม่รู้เนี่ะลึกไม่ได้เนี่ไม่เข้าใจเรื่องกรรมเรื mind, um, ่องธรรมะด้วยเนี่ก็เลยแยกแยะไม่ออกเมื่อแยกแยะไม่ออกก็โยนให้กรรมอดีตตั้งแต่ที่มันไปจากปัจจุบันโยนโอ้ยฉันมีกรรมอะไรก็ไม่รู้เนี่ตนเองทำก็ยังไม่รู้เลยเพราะไม่เคยศึกษาในเรื่องนี้เพราะไม่เคยเข้าใจว่ากรรมคืออะไร แม้ท่านบอกว่ากายกรรมวจจกรรมมโนกรรมก็ยังไม่รู้เมื่อไม่รู้อย่างนี้มันก็เลยไม่รู้ตนเองทําไปแล้วก็ยังระลึกไม่ได้รู้ไม่ได้ว่ายังไปยกให้เป็นกรรมอะไรของฉันเนาะนี่ก็กรรมที่ตนทําไว้นั่นแหละจะกรรมที่ไหนี่ทําเอาไว้พูดเอาไว้คิดเอาไว้เนี่ยมันเป็นส่วนกายกรรมวัจจกรรมมโนกรรมนี่แต่แต่เช้ามาถึงเย็นมันไม่รู้เท่าไหร่ระลึกไม่ได้เหมือนกันเนี่ย ทำอะไรบ้างมันจะจำไม่ได้มันหลายอย่างละเกินแต่ถ้าว่าอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีมันก็เป็นกรรมดีก็ไม่ต้องตามเป็นนึกอะไรมันมากแล้วเหมือนเรามาอยู่วัดเนี่ยมาสบทานเีษอยู่วัดตั้งแต่เช้านี่มันก็เป็นส่วนมากก็โดยรวมก็เป็นกรรมที่ดีเนี่ยเว้นแต่จิตใจเท่านั้นแหละมันคุมได้ยากหน่อยอยู่วัดแต่มันคิดถึงบ้าน มันไปอยู่เรียนบ้านในส่วนมโนกรรมเนี่ยอาจจะนั้นบ้างนี่แต่กายกรรมมจีกรรมนี่ก็โดยภาพรวมก็ยังยังดีเพราะว่ามันอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีเนี่ยท่านาทวะว่ากรรมดีทำนั่นแหละดีเพราะกรรมดีจะไม่เดือดร้อนภายหลังนี่ท่ก็บอกชัดเลยเนี่นี่กรรมชั่วไม่ทําเสเลยดีกว่าเนี่เพราะกรรมชั่วย่อมเดือดร้อนในภายหลังภายหลังก็คืออดีตเนี่ยที่มันผ่านไปเป็นอดีตมันก็ บางทีลึกไม่ได้โอ้ยเป็นเพราะกรรมยังเนาะไปไม่ออกคือสารอะไรนาะมันเป็นเพราะอะไรเนี่ยกรรมเล็กกรรมน้อยกรรมดีถ้าตนเองไม่เป็นมันก็ระลึกไม่ได้พอมันเจอแล้วย้อนหลังกับไปโอ้มันเป็นความจริงเหมือนกันมีครั้งหนึ่งที่เคยเล่าบางเนี่นยโยกติข้างคามันกวนกวนเนีย กวนนี่ขี้ให้เช็ดทุกวันทุกวันลำาขานมันขี้ให้เราเช็ดมัเนี่เราไม่ได้คิดว่ามันสัตว์ดีรักษาเนาะมันไม่รู้ว่าบ้านของใครกุศกิของใครมันสะดวกสบายมันก็ขี้ใส่นี่มีวันหนึ่งก็มีการแกล้งมันอยู่บ้างแต่ไม่เจตนาจะจะทำอะไรมันนะจแกล้งจะให้มันหนีไปขี้ที่อื่นหน่อยเนียอแกล้งแก้งมันเอาไม้กวาดไปกันโน่นกันนี่ ป้าก็บกว่ามันกลัวมากไปชนเนี่ยไปชนเอาผนังแบุง้งโอ้แไม่ตายนะสลบไปหน่อยนีย่สลบไปนอนอา้าวตายแล้วตายหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่สักพักหนึ่งมันก็ฟื้นขึ้นมาก็บินไปได้นี่เชื่อไหมแปลกมากเลยนอนคืนนั้นตนื่นขึ้นมาคอมันกระดุกกระดิกไม่ได้นอ่เราก็นึกเอ๊ะมันทำไมมันให้ผลเร็วแต ก็เลยนึกอันนี้ว่าเออมันคือมันไม่มีที่นึกไปไหนนะเราก็นอนกลางคืนเนี่ยเหมือนกับเ้าที่ว่าคอตกหมอนนั่นแหละทำนองนี้แต่มันมันก็เคยตกหมอนแต่มันไม่เป็นเหมือนวันนั้นเน่ยวันนั้นโอ้โหมันปวดแบบไม่ธรรมดาแล้วก็มันกระดุกระดิกไม่ได้เลยเนะแล้วก็แต้นหน้าอกแข็งหา r d โอ้ตายแล้วไม่ว่าจะเป็นอะไรแต่ก็เป็นอยู่วันวันหนึ่งวันหนึ่งคืนหนึ่งก็นึกโอ้นี่ คงจะด้วยเหตุในนัโบราณแต่ว่ากรรมบางทีมันมันให้ผลในปัจจุบันเลยไม่ต้องรอบางอย่างแต่บางอย่างก็ให้ผลตามมาทีหลังก็มีเหมือนกันปัญหาช่องว่างไม่ได้มันก็เลยยังไม่ให้ผลกรรมดีมากันเดียวอันนี้มันมีช่องว่างก็เลยให้ก่อนเดี๋ยวมันมันจะหาโอกาสไม่ได้ก็เลยเป็นการเตือนก่อนแล้วที่ถ้ากรรมดีมัน่ากปหาโอกาสไม่ได้เพราะกรรมไม่เจตนาบางทีมันก็มีบ้างเหมือนกัน แล้วอาจจะเป็นด้วยเหตุนี้ก็ได้ว่ากฎแห่งกรรมนี่มันก็มีเหมือนกันท่านถึงให้ระวังไม่ให้ประมาทเนี่ยแลหลายเรื่องหลายอย่างก็เป็นลักษณะนั้นเรื่องไก่เรื่องอะไรเหมือนกันใช่ไหมเรื่องไก่พวกไปทรมานไก่ไก่ชนไก่อะไรหลวงพ่อปัญญาท่า น, ทานเทศท่านบอกว่าคนนั้นเนะ่ะเล่นไก่ชนไก่ตายเพราะไก่ มีวันหนึ่งแกเป็นแผลขึ้นนิดเดียวเเป็นแผลขึ้นนิดเดียวอยู่ตาตุต่มไงนะไก่มันวิ่งมามันจิกเอาจิกเอาจิกเอาจิกจิกเข้าตาตุ่มจิกจนกลายเป็นแผลเวอะวะติดเชื้อบาดทะยักจนตายเพราะแผลนี่เลยโอ้เหมือนนึกไปนึกมามก็มีส่วนเหมือนกันเนะี่แล้วอีกเรื่องหนึ่งหลวงพ่อชาท่านนะท่านไปเจอเองท่านไปเยี่ยมคนป่วยใกล้จะสิ้นใจนะ ญาติก็เคยมาน้องประพงแล้วก็อยากนิมนต์ให้ไปให้สติภาษาเราเ็ไปให้สติคนตายแต่ว่าคนนั้นมันไม่ได้เคยทำบุญกุศลไม่ได้เข้าวัดฟังธรรมอะไรนีมีแต่เรื่องชนไก่อย่างเดียวเนี่ยชนไก่ที่ที่มานิมนต์หลวงพ่อก็สงสารเขาเขาก็เล่าให้ฟังว่าเป็นยังไงดูเขาแบบเหมือนไม่มีสติ เอามือตีตนเองจนแตกมดเนะี่ยจนมัดไว้มัดไว้ก็ตีนจะเอามาตีอะ่ะถ้าปล่อยก็ตีกันแตกถลอกเลือดไหลเลยอะ่ะเหมือนคนชนไก่มันจะแบบนี้กีเสียอย่างนี้ก็มือไม้แตกหมดนี่มมนไปไปมันก็ปวดลำบากเหมือนกันเพราะคนไม่มีอุปนิสัยเนี่ยท่านมาเล่าให้ฟังหรอกท่านเออเดี๋ยวไปประมาทนะกรรม ก, ก, กนี่มันเป็นความจริงนะ พอมันสั่งสมอะไรมันฝังไว้ในใจเมื่อฝังไปแล้วถึงตรงนั้นมันไม่มีอะไรมาแล้วมันจะมีสิ่งนี้มาเนี่ยนี่ก็เรียกอารมณ์ที่มันสั่งสมเอาไว้เนี่ยตอนนั้นมันจะมาประเดประดังเข้าส่วนอื่นมันไม่มีส่วนที่ทําไว้ทั้งหมดมันจะรวมเป็นมโนกรรมหมดเลยเนี่แล้วก็เข้ามาเนี่นึกถึงอะไรไม่ได้ความดีไม่ได้มีอะไรมันมีแต่ไม่ดีมาก็เลยเรื่องนี้มันประทับใจมากเพราะมันทํายาวนาน จนเป็นอาจินตนกรรมเนี่ยคือกรรมทาเป็นนิดเนี่ยเป็นอาจินเนี่ยกรรมเป็นอาจินมันก็เลยไม่มีอะไรเข้ามาได้ตัวนี้ไม่มีช่องว่างให้ตัวอื่นเข้ามาได้เพราะมันมากมันมากดูเหมือนน้อยแต่ว่ามันสั่งสมบ่อยๆน่ก็เป็นอาจินตนกรรมเมื่อมันมากขึ้นแล้วตัวอื่นไม่สามารถเข้ามาได้เหมือนบางทีตัวมดตัวเล็กๆเนี่ยพลังมหาศาลเราไม่สามารถเข้าไปหามันได้ เข้าไปมันก็เล่นงานเราตายเหมือนกันนะถ้ามันเยอะมากจริงๆนะพลังแห่งอากุศลนี่ก็เหมือนกันนะบางทีท่านบอกว่าอย่าประมาทว่าเล็กน้อยเล็กน้อยถ้ามันมากมันก็มีพลังมหาศาลนี่ก็เหมือนกรรมลักษณะนี้แหละนี่ยก็เป็นไปได้เหมือนกันนะไม่ต้องรอเลยอ่านธรรมบทที่ว่านายโคคาดก็ดีนายสุกรก็ดีที่ข่าโคคาสุกรนี่ตอนตายก็เป็นลักษณะนี้ในธรรมบทนี้ ได้โคคาดก็ร้องเหมือนโคนแต่เดี๋มันก็โหดเกินนั่นนะเป็นพัชาคาดฆ่าฆ่าโคฆ่าฆ่าประจำเนี่ยฆ่าเพราะติดในเนื้อมันไงกินเนื้อมันเนี่ยไปซื้อมามันก็ไม่สดเหมือนตนเองทําเลี้ยงโคไว้ก็อยากกินตอนนั้นก็เอามาฆ่ากินสดส ด, สดเนี่ยวันที่กรรมจะให้ผลนั่นมันหาเนื้อไม่ได้เนื้อที่ เอาไว made, handle, Brothers, ้ก็ปกติวันพระเขาไม่ทําไม่ไม่ทำเนื้อไม่ฆ่าสัตว์ไอ้นิ่มก็ไม่ฆ่าเหมือนกันแต่ว่าเอาเนื้อเผื่อไว้วันพระไม่ฆ่าสัตว์แต่ฝากภรรยาไว้เพื่อกินเนื้อนี่วันนี้วันพระวันนั้นก็บังเอิญเพื่อนน่ยมีงานนักขัตเลิกที่จะทำเนี่ยหรืองานมงคลที่จะทำเนี่ยขาดเนื้อไม่ได้เนี่ยไปเลี้ยงแขกเนี่ยก็มาขอส่วนที่เพื่อนเนี่ยไว้เนี่ยภรรยาบอกว่าไม่ได้เพื่อนของเธอขาดเนื้อไม่ได้นะ เขาก็อ่อนวอนพดไม่ได้งานมันงานมงคลอะนี่แล้วมันเสียงานก็ยิ่งไม่เป็นไรเพื่อนอดวันเดียวก็ไม่เป็นไรหรอกคิดว่าเขาจะไม่ติดขนาดนั้นสุดท้ายก็ถูกขยันขยอยไมด้ก็ให้ไปนี่นี่ไปทํางานมาไปลงนามากลับมามาถามหาอาหารขาดเนื้อไม่ได้เลี้ยโคไหมภรรยาก็เลยเล่าความจริงให้ฟังเล่าความจริงให้ฟังวด้วยความโมโหมันไม่ได้กินไม่ได้นะ เดินเข้าไปในข้อโคนะจับโคมามัดเอาไม้สอดเข้าปากมันล้วงดึงเอาลิ้นมันตัดลิ้นเลยตัดลิ้นโคนะ่ให้ภรรยาไปทอดไปทอดไปกินโอ้ยสดๆเลยอะ่ะกำให้ผลทันตาทะ่น่อยนั่นแเนะี่ยแต่ว่าพอเอาอาหารเข้ามาปากเออถ้าพูดเป็นเหตุผลฟังได้ง่ายหน่อยก็คืออาจจะด้วยความอยากความมนนั่นมากเลย อบรรคงยังไม่เย็นดีมั้งเขี้ยวก็เข้าไปมันลวกลิ้นเนาไม่ลิ้นลิ้นพองลิ้นเปื่อยเลยอะเร้องลั่นเลยโห้ยทรมานร้องเป็นเสียงโคเลยอะกว่าจะตายก็ทรมานอยู่เจดวันเหมือนกันเจ็ดวันพระภิกษุเดินผ่านไปก็ได้ยินเสียงเสียงหนึ่ว่าเสียงโคคนนี้เขาเลี้ยงโคก็ เ, เป็นนายโคคาดเขาฆ่าโคลแล้วไ ม, ไม่คิดว่าเป็นเสียงของเขาเองอ รู้จากพระเจ้าพระองค์อย่างรู้ด้วยนั่นบอกว่าโอ้ยมันนายโคขาดถึงข่าวกรรมของเขากรรมนี้จะเมื่อถึงทีมันให้ผลหลบไปนี้ไปไหนมันไม่ได้อยู่ป่าอยู่เขาอยู่ถ้าอยู่อากาศอยู่ใต้ดินมันก็ตามไปทันว่างั้นแต่เนี่นี่นั่นก็คือผลให้เห็นทันตานี่ไงเห็นทันตาเลยพญายาลูกทั้งหลายสังเวชใจเดยโอ้โหนี่กรรมมันมีถึงขนาดนี้เหมือนคนฆ่าสุกรเหมือนกันใน ในหมวดเนี่ยหมวดเดียวกันเนี่ยสุกรนี่ก็จนครอบครัวญาติพี่น้องละอายนี่พ่อร้องเป็นเสียงสุกรเลยเนี่ก็เลยไปขังไว้เผื่อให้ขังให้คนเข้าใจผิดว่าเป็นเสียงสุกรจริงๆพาะแกร้องเหมือนเสียงสุกรนี่พอบ้านนี้เขาฆ่าสุกรเนี่ยสงสัยฆ่าสุกรทาอะไรอีกนาะไหยคนนี้นี่พ่อก็จะฆ่าจนคนรู้จักว่าฆ่าสุกร พอได้ยินเสียงหมูลองทีไรก็คิดว่าเขาฆ่าหมูแต่ที่จริงเป็นเสียงเขาเองอออันนี้ก็ทําแบบทรมานเหมือนกันนะโทษของเขาก็คือเขาทํากินเองนะทํามาเขาเอาสุกรมาเอาน้ําร้อนลวกลวกให้มันขูดขนมันง่ายอขูดขนออกนี่โอยตายอย่างทรมาน ยังไม่ตายนะยังไม่ตายเอาไม้มาตีตีตามตัวมันให้มันเขาว่าให้เนื้อมันนุ่มอะให้เนื้อมันนั้นกินแล้วไม่รู้ละตามความเชื่อของเขตีจนมันพองขึ้นมาพ อ, อ, องขึ้นม า, าแล้วก็เอาน้าร้อนกอกเข้าปากมันเข้าที่ใบละเอียดนี่ยก่อเข้ากอก่เข้าไปจนให้ขี้มันไหลออกไหลออกไหลออกเนียออ่ย หลายใหลำไส้สะอาดเนี่ยลำไส้สะอาดเอาน้ำร้อนก่อเข้าไปก่อเข้าไปนี่โวยกรรมหนักมากเลยกรรมแต่ น, นี่กรรมจนกระทั่งว่ามันตายด้วยนี่ตายแต่อกรรมตัวนั้นมันก็เลยมาให้ผลแกเนี่ยพอไปกินเนื้อสุกรเท่านั้นแหละก็เกิดป่วยทันทีเลยขอเจ็บทั้งปากทั้งท้องทั้งลำไส้ยังนี่ได้ร้องทรมานร้องเป็นเสียง สุกรเสียงหมูเลยผ้ปาปิ่นทบาทโอ๊ยบ้านนี้ทำไมข้าข้าสุกรทุกวันแท้ไปวันไหนก็ได้ยินเสียงเจ็ดวันพอไปถามพระเจ้าเนอะเขาไม่ได้ข้าสุกรเขาเองกรรมมาให้ผลเขาเองแกต้องทรมานอยู่ตั้งเจ็ดวันว่างจนกว่าแกจะตายก็เลยชี้ถึงผลกรรมผลกรรมที่เขาทำอันนี้ดูมัน มันเป็นได้จริงๆนะมันสั่งสมอย่างว่านหละเมื่อถึงคาตัวนั้นมันอาจจะเป็นมโนภาพก็ได้นะเนาะเป็นมโนภาพวิ่งเข้ามามันทำให้ล้อห้องเป็นเสียงหมูเลยเนะี่ยแต่ความจริงมีปรากฏนะเหมือนกันนะที่บ้าน เ, เป็นเพื่อนกันเลยนะอันนั้นพ่อก็ไม่เคยทำบุญให้ทานไม่อะไรทั้ง้เข้าวัดฟังธรรมเนะี่ยเขาด้วยเพื่อนสนิทกันเขาเล่าให้ฟังเองเนะี่ยเขาไปเฝ้าพอของเขาเนะี่ย แต่ละครั้งเวลาเวลาแกเวทนามากเนี่ยแกจะร้องร้องดังแล้วก็ร้องบอกให้ช่วยบอกให้คนมาช่วยบอกว่าทําไมแล้วพ่ออควายมันวิ่งมามันจะชนควายจะวิ่งชนทุกครั้งเลยเวลาแกป่วยมาเนี่ยก็จะเพอ้ออย่างนี้ตลอดเนี่ยเอพอป่วยมาพ่อก็เออมาช่วยกูที่ช่วยกูที่ลองลองเพราะว่ามีอะไรนุ๊กันมาแล้วมันมาแล้ว อมันจะชนกูอย่างเงี้ยบอกโอ้ทำให้ฟังแล้วัดน่าสังเวชเหมือนกันสุดท้ายก็ตายเพราะอย่างนั้นจริงเตายละเมอละเมอไปตายไปเลยเออเหมันเป็นกรรมตัวนี้มันแต่ว่ามันไม่เห็นในปัจจุบันไม่ได้นะถ้ามันมันหนักมันมากมันก็เห็นได้ในปัจจุบันเหมือนกันแต่เมื่อพูดถึงกรรมแล้วก็น่าคิด นึกถึงปตภาสิตว่าอย่าประมาทว่าเล็กน้อย ε, บุญก็อย่าประมาทว่าเล็กน้อยนั่นแหละคือท่านเตือนเอาไว้รวมอยู่ในความไม่ประมาทก็ é, คือไม่ประมาทโทษว่าเล็กน้อยไม่ประมาทว่าความดีว่าเล็กน้อยทั้งสองอย่างเลยเนยให้เห็นโทษโดยความเป็นโทษแม้มีประมาณน้อย e, e, e, ให้เห็นคุณโดยความเป็นคุณไม่มีประมาณน้อยเหมือนกัน น้ำหยดใบ่อๆก็ยังเต็มตุ่มได้สันใดนะี้นบุญที่สั่งสมก็ยังนํานําสุขมาให้เหมือนกันเนี่ยบาป ท, ที่สั่งสมไม่หยุดมันก็มากได้เหมือยาพิษที่หยดใส่ถังใบ่อยๆมันก็มากเหมือนกันหรือหยดใส่อะไรก็มากได้มีปริมาณมากเหมือนกันจากน้อยไปหามากมันสามารถทําลายอะไรได้อ่าไปแล้วบทเสริม